เทวทหวัตหมวดว่าด้วยเทวทหานิคมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเทวทหานิคมของเจ้าสักยะทั้งหลายแคว้นสักกะทรงแสดงเรื่องนี้ว่าเราไม่กล่าวว่าความไม่ประมาทในภัษายตนะหกประการอันภิกษุทุกรูปควรทาแท้ แต่เราก็ไม่กล่าวว่าความไม่ประมาทในภัรษายตนะหกประการอันภิกษุทุกรูปไม่ควรทำเลยภิกษุเหล่าใดเป็นพระอาหารหันตกีณาศกอยู่จบรมจัจาร์แล้วทากิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์หลุดพ้นปราร้โดยชอบภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าความไม่ประมาทในภัษายตนาหกประการอันภิกษุเหล่านั้นไม่ควรทำข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความไม่ประมาทภิกษุเหล่านั้นกระทำแล้วภิกษุเหล่านั้นไม่ควรประมาทส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นเสคะคือผู้ยังต้องศึกษายังไม่บรรลุอรหัตผล ปร t h a ธรรมะเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่เรากล่าวว่าความไม่ประมาทในภาษายตนาหกประการอันภิกษุเหล่านั้นควรทำข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาหน่าเรื่นรมใจบ้างไม่น่าเรื่นรมใจบ้างมีอยู่รูปเหล่านั้นกระทบแล้วย่อมไม่ครอบงำจิตของบุคคลนั้นอยู่ เพราะไม่ครอบงำจิตบุคคลจึงปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทนี้จึงกล่าวว่าความไม่ประมาทในภัษสายตนะหกประการอันภิกษุเหล่านั้นควรทำแท้ และโดยในยะเดียวกันเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นผลทัพพระที่พึงรู้แจ้งทางกายธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจน่ารื่นรมใจบ้างไม่น่ารื่นรมใจบ้างมีอยู่สิ่งทั้งปวงนั้นกระทบแล้วยอมไม่ครอบงามจิตของบุคคลนั้นอยู่เพราะไม่ครอบงำจิต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 ว่าด้วยขณะภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ดีแล้วที่เธอทั้งหลายได้ขณะเพื่อประพฤติปรมจันทร์เราเห็นนรกชื่อว่าปัสยานิกาหกขุมในนรกทั้งหกขุมนั้นสัตว์ย่อมเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทางตาได้แต่เห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าปรารถนา ไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาได้เห็นเฉพาะรูปที่ไม่น่าใครไม่เห็นรูปที่น่าใครได้เห็นเฉพาะรูปที่ไม่น่าพอใจไม่เห็นรูปที่น่าพอใจและโดยในยาเดียวกันฟังเสียงอย way, ่างใดอย่างหนึ่งทางหูได้ดมกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งทางจมูกได้ลิ้มรสอย่างใดอย่างหนึ่งทางลิ้นได้ ถูกต้องผดผาดอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายได้รู้ธรรมารมอย่างใดอย่างหนึ่งทางใจได้แต่ได้ฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องผดผาดรู้แจ้งธรรมารมในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกลไม่น่าพอใจเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเป็นลากของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ดีแล้ว ที่เธอทั้งหลายได้ขณะเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เราได้เห็นสวรรค์ชื่อว่าปัสยานิกาหกชั้นแล้วในสวรรค์ทั้งหกชั้นนั้นบุคคลย่อมเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทางตาได้ย่อมฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องโพธิภะและทำมารมได้แต่สิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้รู้แจ้งเป็นต้นนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ดีแล้วที่เธอทั้งหลายได้ขณะเพื่อประพฤติปรมจันทร์ว่าเดชผู้ยินดีในรูปภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ยินดีในรูปรื่นรมเพลิดเพลินในรูปเพราะรูปแปรผันคลายไปและดับไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงอยู่เป็นทุกข์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในสัตธะคือเสียงรื่นรมเพลิดเพลินในสัตธะเป็นผู้ยินดีในคันธะคือกลิน่นในรสะคือรสในผลทพะคือการสัมผัสถูกต้องทางกาย เป็นผู้ยินดีในธรรมอารมณ์คืออารมณ์สิ่งที่ใจคิดใจนึกเป็นผู้รื่นรมเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงนั้นเพราะสิ่งทั้งปวงคือรูปเสียงเป็นต้นนั้นมีความแปรผันคลายไปและดับไปพวกเทวดาและมนุษย์จึงอยู่เป็นทุกข์สวนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า รู้แจ้งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปทั้งหลายเป็นต้นนั้นตามความเป็นจริงไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินในรูปเสียงเป็นต้นนั้นเพราะสิ่งทั้งปวงนั้นแปรผันคลายไปดับไปตถาคตจึงอยู่เป็นสุขพระผู้มิพระภาคตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า รูปสัทธาคันธะรสสะโพทพะและธรรมอารมล้วนน่าปรารถนาน่าใครและน่าพอใจที่กล่าวกันว่ามีอยู่ประมาณเท่าใดรูปเป็นต้นเหล่านั้นแลเป็นสิ่งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกสมมุติว่าเป็นสุขถ้ารูปเป็นต้นเหล่านั้นดับในที่ใดที่นั้น เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็สมมุติกันว่าเป็นทุกข์ส่วนอริยบุคคลทั้งหลายเห็นการดับสักกายะว่าเป็นสุข ก, การเห็นของอริยบุคคลทั้งหลายผู้เห็นอยู่นี้ยอมขัดแย้งกับชาวโลกทั้งปวงบุคคลเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่าเป็นสุขอริยบุคคลทั้งหลายกล่าวสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์บุคคลเหล่าอื่น กล่าวสิ่งใดว่าเป็นทุกข์อริยบุคคลทั้งหลายรู้แจ้งสิ่งนั้นว่าเป็นสุขเธอจงเห็นธรรมะที่รู้ได้ยากคนผ่านผู้หลงไม่รู้แจ้งในนิพพานนี้ความมืดปรากฏแก่บุคคลผู้ถูกนิวรคือกิเลสพุ่มห่อไวเหมือนความมืดปรากฏแก่บุคคลผู้ไม่เห็นเะนั้น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 จะไม่รู้ธรรมะนี้ได้ง่ายเว้นอริยบุคคลทั้งหลายแล้วไกรเล่าควรจะตรัสรู้บทคือนิพพานที่อริยบุคคลทั้งหลายตรัสรู้ชอบแล้วไม่มีอาสวะปรินิพพานว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นสิ่งที่เธอทั้งหลายละได้แลวนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขก็อะไรเล่าชื่อว่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายคือจักขูไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจักขู่นั้นจักขู่ที่เธอทั้งหลายละได้แลวนั้น จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขโสตขันทะชิวหากายและมโนสิ่งทั้งปวงนั้นล้วนไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเมื่อละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขเปรียบเหมือนคนพึงนำไม้กิ่งไม้ใบไม้ที่มีอยู่ในเชตวันนี้ไปเผา หรือจัดการไปตามเรื่องเธอทั้งหลายจะพึงมีความคิดอย่างนี้บ้างไม่ว่าคนนั้นกำลังนำเราทั้งหลายไปเผาหรือจัดการไปตามเรื่องทูลตอบว่าไม่คิดอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม้กิ่งไม้เป็นต้นนั้นไม่ใช่อัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ภิกษุทั้งหลายอุปมานี้แม้ฉันใดอุปไหยก็ฉันนั่นเหมือนกันจากขู่เป็นต้นนั้นไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเมื่อละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขและโดยนัยยะเดียวกันรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและธรรมารมณ์ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละเมื่อละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายในไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอายตนะภายในคือจากขูตาโสตหูคานะ จมูกจิวหาลิ้นกายและมโนคือใจภิกษุทั้งหลายอายตนะภายในคือจกักระเป็นต้นนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม่เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจกักระเป็นต้นนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจากักระเป็นต้นนั้นที่เกิดจากเหตุที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาจากขุนั้นจะเที่ยงจะเป็นสุขจะเป็นอัตาได้อย่างไรเล่าอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อายตนะภายนอกคือรูปสัทธะคือเสียงคันทะคือกลิ่นรสคือรสผพทพะความสัมผัสถูกต้องทางกายและธรรมอารมณ์อารมณ์สิ่งที่ใจคิดใจนึกรูปเป็นต้นนั้นไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นต้นนั้น ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปเป็นต้นนั้นที่เกิดจากเหตุที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะกเที่ยงจักเป็นสุขจากเป็นอัตตาได้อย่างไรเล่าอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปในเสียงเป็นต้นนั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้น รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จกรมจันทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนวาปุรานาวคหมวดว่าด้วยกรรมใหม่และกรรมเก่าเพราะผู้มีพระภาคทรงสแสดงกรรมใหม่และกรรมเก่าความดับกรรม และปฏิปทาที่ให้ถึงความดับ ก, กรรมแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้กรรมเก่าเป็นอย่างไรคือจากขูหรือตาบัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าถูกปัจจัยปรุงแต่งสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาโสตะคือหูคันทะคือจมูกชิวหาคือลิ้น กายและมโนคือใจสิ่งทั้งปวงนี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นกรรมเกา่าถูกปัจจัยปรุงแต่งสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานี้เราเรียกว่ากรรมเกา่าข้อนี้ในยะหนึ่งก็คือเพราะกรรมในอดีตชาติจึงส่งให้เราเกิดใหม่มามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปร่างแตกต่างกัน ในชาติปัจจุบันนี้กรรมใหม่เป็นอย่างไรคือกรรมที่บุคคลทำด้วยกายวาจาใจนี้เราเรียกว่ากรรมใหม่ความดับกรรมเป็นอย่างไรคือนิโรธที่ถูกตองวิมุตเพราะดับกายกรรมวาจีกรรมและมนโนกรรมได้นี้เราเรียกว่า ความดับกรรมปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรมอะไรบ้างคืออริยามรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดาริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะกระทาชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาส ม, มาธิตั้งจิตมั่นชอบนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรมกรรมเกา่ากรรมใหม่ความดับกรรมและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรมเราได้แสดงแล้วด้วยประการชนนี้ ภิกษุทั้งหลายกิจใ ด, ดที่ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์พึงอาศัยความอนุเคราะห์กระทาแก่สาวกทั้งหลายกิดนั้นพวกเราก็ได้กระทาแล้วแ ก, เกนนเว่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลัง นี่คือคำปรามสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเราว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัพายะแกะนิพพานปฏิปทาที่เป็นสัพายะแกะนิพพานนั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ย่อมเห็นว่าจักขูดไม่เที่ยงเห็นว่ารูปไม่เที่ยง เห็นว่าจักขุวิญญาณจากขูสัมผัสแม้เวทนาคือความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เทียงและโดยในยะเดียวกันโสตากับสัทธะคือหูและเสียงขานะกับคันธะคือจมูกและกลิ่นชิวหาแล้วรสคือลิ้นแล้วรส กายและปวดทภะความถูกต้องสัมผัสทางกายใจและธรรมอารมณ์อารมณ์สิ่งที่ใจคิดใจนึกวิญญาณสัมผัสเวทนาที่เกิดจากสัมผัสแต่รับการเป็นปัจจัยสิ่งทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาที่เป็นสัพพายาแก่นิพานเป็นอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายจากักขูรูปจกักขูวิญญาณจากักขูสัมผัสแม้เวทนาที่เกิด จ, กจากจักขูสัมผัสเป็นต้นนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรที่จะพิจารณาเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือไม่ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจักขู่แม้ในรูปเป็นต้นนั้นเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัดจิตย่อมหลุดพ้นภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาที่เป็นสัพพายาแก่นิพพานเป็นอย่างนี้แหละคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารวมเรียกว่าไตรลักษณ์ซึ่งเป็นคำสอนหลักของพระพุทธศาสนาที่ใช้ตรวจสอบการปฏิบัติของตนว่าถูกต้องหรือไม่คือเมื่อปฏิบัติไปแล้วจะเห็นสิ่งทั้งปวงทีละลำดับ เห็นด้วยการฟังเห็นด้วยการพิจารณาเห็นด้วยจิตและจนถึงขั้นเห็นด้วยการรู้แจ้งเห็นสิ่งทั้งปวงนั้นโดยความเป็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่าด้วยอันเตวาสิกคำว่าไม่มีอันเตวาสิก ในที่นี้หมายถึงไม่มีกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในคำว่าไม่มีอาจารย์ในที่นี้หมายถึงไม่มีกิเลสที่ฟุ้งขึ้นภิกษุทั้งหลายภิกษุประพฤติปรมาจารย์นี้ไม่มีอันเตวาสิกคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในไม่มีอาจารย์ er <ningar> คือคมไม่มีกิเลสที่ฟุ้งขึ้นภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นสุขสบาย ส่วนภิกษุผู้มีอันเตวาสิกมีอาจารย์ย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่สบายภิกษุผู้มีอันเตวาสิกมีอาจารย์ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือธรรมะที่เป็นบาปอากุศลมีความดำริสร้างไปเกื้อกูลแก่สังโยชนิย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นว่าเพราะเห็นรูปทางตาธรรมะที่บาปอากุศลเหล่านั้น ย่อมอยู่ภายในของภิกษุนั้นเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกภิกษุนั้นว่าผู้มีอันเตวาสิทธรรมะที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมฟุ้งขึ้นท่วมภิกษุนั้นเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกภิกษุนั้นว่าผู้มีอาจารย์และโดยนัยยะเดียวกันกับการเห็นรูปคือหูได้ฟังเสียงจมูกได้ดมกลิ่น ลิ้นเลนลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสโพธพพะใจรู้แจ้งธรรมารมณ์ธรร ม, รมะที่เป็นบาปอกุศลย่อมอยู่ภายในของภิกษุนั้นเหตุนั้นจึงเรียกว่าผู้มีอาาันเตวาสิกธรรมะที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมฟุ้งขึ้นท่วมภิกษุนั้นเหตุนั้นจึงเรียกว่าผู้มีอาจารย์ ภิกษุผู้มีอันเตวาสิกมีอาจารย์ยอมอยู่เป็นทุกข์ไม่สบายเป็นอย่างนี้แหละส่วนภิกษุผู้ไม่มีอันเตวาสิกไม่มีอาจารย์ยอมอยู่เป็นสุขสบายเป็นอย่างไรคือธรรมะที่เป็นบาปอากุศลมีความดำริร้านไปเกื้อกูลแก่สังโยชนยอมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวิเนัยนี้ เพราะเห็นรูปทางตาเป็นต้นนั้นธรรมะที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นย่อมไม่อยู่ภายในของภิกษุนั้นเหตุนั้นเร า, เาจึงเรียกว่าผู้ไม่มีอันเตวาสิกธรรมะที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมไม่ฟุ้งขึ้นท่วมภิกษุนั้นเหตุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้ไม่มีอาจารย์ภิกษุผู้ไม่มีอันเตวาสิกไม่มีอาจารย์ ย่อมอยู่เป็นสุขสบายเป็นอย่างนี้แหละว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการประพฤติปรมจันทร์ภิกษุทั้งหลายถ้าอัญญะเดียรธีปริพาชคทั้งหลายถามเธอทั้งหลายว่าประพฤติปรมจันทร์ในพระสมณโคดมเพื่อต้องการอะไรเมื่อถูกถามอย่างนี้ พึงตอบดังนี้ว่าเราทั้งหลายประพฤติพระมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ถ้าถูกถามว่าเพื่อกำหนดรู้ทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเธอทั้งหลายพึงตอบอย่างนี้ว่าจากขูรูปจากขูวิญญาณจากขุสัมผัสและเวทนาความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ ที่เกิดขึ้นเพราะจากักขุสัมผัสเป็นปัจจัยทั้งหมดนั้นล้วนเป็นทุกข์และโดยนัยเดียวกันโสตากานะจิวหากายและมโนอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะและเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นล้วนเป็นทุกข์ข้อนี้แหละคือทุกข์ที่เราทั้งหลาย พระพุทธปรมจัรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับเหตุภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยเหตุใดพยากรณ์อรหัตผลเว้นจากความเชื่อความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดรองตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับตฤษฎีที่พินิษไว้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเหตุนั้นมีอยู่คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาได้ยินเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกได้ลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผดผัดทางกาย รู้แจ้งทำมารมทางใจรู้ชัดราคะโทสะและโมหะในภายในซึ่งมีอยู่ว่าราคะโทสะและโมหะในภายในของเรามีอยู่รู้ชัดราคะโทสะโมหะในภายในซึ่งไม่มีว่าราคะโทสะโมหะในภายในของเราไม่มีภิกษุเห็นรูปทางตาเป็นต้นนั้น รู้ชัดราคาโทสะและโมหะในภายในว่ามีอยู่หรือไม่มีธรรมะเหล่านี้พึงทราบด้วยความเชื่อความชอบใจการฟังตามกันมาการคิดรองตามเหตุผลหรือพึงเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วได้บ้างหรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะเหล่านี้ พึงทราบด้วยเพราะเห็นด้วยปัญญาใช่หรือไม่ทูลตอบว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยเหตุใดพยากรณ์อารหัตผลเว้นจากความเชื่อความชอบใจเป็นต้นนั้นรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบรมจันทร์ทกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ต่อไปเหตุนั้นเป็นอย่างนี้แหล ว่าด้วยผู้เพียบพร้อมด้วยอินทรีครั้งหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้ากราบทูลถามว่าที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุเพียบพร้อมด้วยอินทรีด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุจึงเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยอินทรีทรงตอบว่าหากภิกษุพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ในจักขุนศีอยู่ย่อมเบื่อหน่ายในจักขุนศีและโดยนัยเดียวกันหากพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในโสตินรียคานินรียชิวหินรียกายินรียพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในมะนินรียอยู่ย่อมเบื่อหน่ายในอินทรีย์เหล่านั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัด ิย่อมหลุดพ้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลภิกษุจึงเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยอินทรีย์ว่าด้วยการถามเรื่องพระธรรมกะถึกภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ิิษุจึงเป็นธรรมกะถึกทรงตอบว่า หากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับจักขู่โสตะขานะจิวหากายมโนควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นธรรมกถถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับจักขุเป็นต้นนั้นควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม หากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับไม่ถือมั่นจากผูกเป็นต้นนั้นควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบัน